พระอนุบัญญัติ5 3 3อันหนึ่งภิกษุผู้จะทำผ้ารองนั่งพึงทำให้ได้ขนาดขนาดในข้อนั้นคือยาวสองคืบกว้างคืบครึ่งชายคืบครึ่งโดยคืบสุคตทำให้เกินขนาดนั้นต้องอาบัตรปาจิตตีที่ชื่อว่าเชธาน ก, กะเรื่องพระอุทายีจบ